รัฐบาลบันแกเลียจ้างแหวนก้าไว้ใช้ในกิจการของรัฐเดือนละ 1,600 บาทสำหรับค่าบริการในการทำนายนั้นถ้าเป็นชาวบันแกเลียจะต้องเสียครั้งละ40บาทสำหรับชาวต่างประเทศ240บาทรายได้ต่างๆนี้ตกเป็นของรัฐทั้งนั้นรัฐบาลได้แต่งตั้งให้ด็อเตอร์ยอชโลซานอฟอายุ43ปี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 ความเจ็บป่วยที่กำลังเป็นอยู่ทำนายถึงสาเหตุของโรคภัยที่ทําให้บิดาของซาเชถึงแก่ความตายคำทำนายหลั่งไหลออกมาจากปากของแวนก้ายังกับอ่านออกมาจากสมุดประวัติบันทึกท้ายที่สุดแวนก้าไทายว่าซาเชแต่งงานมาแล้วเจ็ดปีแต่ทว่าไม่มีบุตรอีกปีหนึ่งถึงจะมีคาทานายนี้ถูกต้องสมจริงทุกประการ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 t h คิดในใจอาจคอยสมพลไร้ไร้อาจลึกลับตะมันคงด้วยกาสมพลข้องกันคิดทำอะไรทำดีหรื อ, อ